พระศาสดาตรัสว่าแต่นั้นมโหสถบัณฑิตได้หลีกไปจากราชสำนักของพระเจ้าวิเทหราชทีนั้นได้เรียกนกสุวะบัณฑิตชื่อมาทุระตัวเป็นทูตมาสั่งว่าแน่สหายตัวมีปีกเขียวเจ้าจงมาทำการขวนขวายเพื่อเรานางนกสาลิกาที่เขาเลี้ยงไว้ใกล้ที่บันทมของพระเจ้าปัญจา ร, ราชมีอยู่ ว่านางนกนั้นเป็นนกฉลาดในสิ่งทั้งปวงเจ้าจงถามนางนกนั้นโดยละเอียดนางนกนั้นรู้ความลับทุกอย่างของพระเจ้าปัญจลราชและของพราหมณ์เกวัตตะผู้โกศยโคตทั้งสองนั้นนกสุวบัณฑิตชื่อมาธุระตัวมีปีกเขียวรับคํามโหสถว่าเออแล้วได้ไปสู่สํานักนางนกสาลิกา แต่นั้นนกสุวะบัณฑิตชื่อมาทุระนั้นครั้นไปถึงแล้วได้เรียกนางนกสาลิกาตัวมีกรงงามพูดเพราะมาถามว่าเธอพออดทนอยู่ในกรงงามดอกหรือเธอมีความผาสุขในเพศดอกหรือเข้าตอ ก, กับน้ำผึ้งเธอได้ในกรงงามของเธอดอกหรือนางนกสาลิกากล่าวว่าแน่สหายสุวะบัณฑิตความสุขมีแก่ฉัน และความสบายก็มีอันหนึ่งข้าตอกับน้ำพึ่งฉันก็ได้เพียงพอแนสหายท่านมาแต่ไหนหรือว่าใครใช้ท่านมาก่อนแต่นี้ฉันไม่เคยเห็นท่านหรือไม่ได้ยินเลยสุวะโปรดกกล่าวกับนางนกสาลิกาว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่เขาเลี้ยงไว้ใกล้ที่บันทมในปราศาสตร์ของพระเจ้าศรีวิราช พระราชาพระองค์นั้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมโปรดให้ปล่อยสัตว์ทั้งหลายที่ถูกขังจากที่ขังนั้นนั้นนางนกสาลิกาตัวหนึ่งพูดอ่อนหวานเป็นภรรยาของฉันเหี่ยวได้ฆ่านางนกสาลิกานั้นเสียในห้องที่บันทมต่อหน้าฉันผู้อยู่ในกรงงามซึ่งเห็นอยู่ฉันรักใคร่ต่อเธอจึงมาในสำนักของเธอถ้าเธอพึงให้โอกาส เราทั้งสองก็จะได้อยู่ร่วมกันนางนกสาลิกากล่าวว่านกแขกเต้าก็พึงรักใคร่กับนางนกแขกเต้ากนกสาลิกาก็พึงรักใคร่กับนางนกสาลิกาการที่นกแขกเต้าจะอยู่ร่วมกับนางนกสาลิกาดูกระไรอยู่สุวะเปิดอกกล่าวว่าเออกู้ใดใครในกามกับนางจันทานผู้นั้นทั้งหมด ย่อมเป็นเช่นกับนางจันทานนั้นเพราะว่าบุคคลไม่เป็นเช่นเดียวกันในเพราะการมย่อมไม่มีพระราชมารดาของพระเจ้าศรีวีพระนามว่าชัมพาวดีมีอยู่พระนางเป็นหญิงจันทานได้เป็นพระมเหสีที่รักของพระเจ้าวาสุเทพกันหะโคดกินนรีชื่อรัตนวดีมีอยู่แม่นางก็ได้ร่วมรักกับดาบดชื่อวัชชะ มนุษย์ทั้งหลายร่วมอภิรมกับมฤคีก็มีมนุษย์ละสัตว์ไม่เป็นเช่นเดียวกันในเพราะการรมย่อมไม่มีเอาเถอะแม่สาลิกาตัวพูดเพราะฉันจากไปละเพราะถ้อยคำของเธอนั้นเป็นแนวทางให้รู้ประจักษ์เธอดูหมิ่นฉันนักนางนกสาลิกากล่าวว่าแน่มาทุระสุวบันดิตสิริย่อมไม่มีแกผู้ดวนได ขอเชิญท่านอยู่ณที่นี้จนกว่าจะได้เห็นพระราชาจนได้ฟังเสียงตะโพนและได้เห็นอนุภาพของพระราชาสุวะปรดกกล่าวว่าเสียงเซงแซ่นี้ฉันได้ยินภายนอกชนบทว่าพระราชธิดาของพระเจ้าปัญจา ร, ราชมีพระชวีวันดั้งดาวประกายพรึกพระเจ้ากรุงปัญจา ร, ราชจักถวายพระราชธิดานั้นแก่ชาววิเทหรา์ คือจะมีการอภิเสกสมรสระหว่างพระเจ้าวิเทหราชกับพระราชธิดานั้นนางนุกสาลิกากล่าวว่าแนมาทุระจงอย่ามีการวิวาแห่งเหล่าอมิตรอันเช่นนี้เหมือนกับการวิวาที่จกมีแก่พระราชธิดาของพระเจ้าปัญจาร า, ราชกับพระเจ้าวิเทหราชเลยพระราชาผู้เป็นจอมทัพแห่งชาวปัญจาละ จากทรงนำพระเจ้าวิเทหราชมาแล้วแต่นั้นก็จะฆ่าพระเจ้าวิเทหราชเสียเพราะพระเจ้าจุลณีไม่ใช่สหายของพระเจ้าวิเทหราชสุวะโปอรด ก, กล่าวว่าเอาเถิดเธอจงอนุญาตให้ฉันไปสักเจ็ดราตรีเพียงให้ฉันได้กราบทูลพระเจ้าศรีวิราชและพระมเหสีว่าฉันได้อยู่ในสำนักของนางนกสาลิกาแล้ว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 คำนี้เป็นคำของนางนกสาลิกามโหสถบัณฑิตได้เปล่งอุทานด้วยกำลังแห่งความปีติว่าบุคคลบริโภคโภคสมบัติในเรือนของผู้ใดพึงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นทีเดียวพระมหาสัตว์ได้กราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าข้าแต่พระจอมประชาชน เอาเถิดข้าพระองค์จักไปสู่ปัญจาละบุรีที่น่ารื่นรมดีก่อนเพื่อสร้างพระราชนิเวศถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชผู้ทรงยศข้าแต่จอมกษัตริย์ครั้นข้าพระองค์สร้างพระราชนิเวศถวายแล้วทรงข่าวมากราบทูลพระองค์เมื่อใดพระองค์พึงเสด็จไปเมื่อนั้น